เรียกว่ากายะคตาสติหนึ่งอาณาปานสติ An หนึ่งคือเรื่องสติทั้งนั้นนะครับสติที่เป็นไปในกายรู้อยู่ให้กําหนดรู้อยู่ในกายอย่าให้มันออกนอกกายเรียกกายกายะคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายแล้วก็อย่างที่เรากําหนดยกมือเคลื่อนแล้วรู้ตัวนี่นี่คือกายกายคตาสติจริงๆแล้ว ก็มือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็นี่ก็เป็นอานาปานาสติที่ผมแนะนำเรื่องเคลื่อนมือมากๆ ก, ก, ก่อนจนะไม่ใช่อะไรอื่นนะครับเพราะว่าถ้าความรู้สึกตัวเราอ่อนพอไปนั่งอานาปานาสติเข้าง่วงและหลับในบแล้วไปไม่รอดครับในในในที่สุดคือไปไม่รอดมันอาจจะดูสบายพักหนึ่งเท่านั้นเองจำสายพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเริ่ม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 เมื่อมันไม่เป็นน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มันก็กลายเป็นน้ําซึ่งไม่สะอาดบริสุทธิ์ทันทีนั้นถ้เรานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งตัวสมาธินี่กลายโมหะทันทีเลยนะครเพราะสมาธิซึ่งซึ่งไม่มีสภาพรู้ตัวตื่นตัวนี้มันเป็นเถือกเสาเหล่ากอของโมหะคนที่มีโมหะเฉะิตคือคนเฉยๆนะไม่ ค, ค่อยขีนะ้โกรธหรืงที่จริงนั่นเป็นโมหะ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 นั้นเราต้องใช้ขวานเพราะว่ามันมีน้ำหนักด้วยแมันมีความคมด้วยความคมนั้นเปรียบด้วยความความรู้ครับสติที่จะกำหนดรู้อย่างงี้ทีนี้เมื่อสติต่อเนื่องกนขึ้นมันก็เกิดกำลังขึ้นครับเหมือนกับสันขวานซึ่งรวมที่จริงคมกับสันมันอันเดียวกันใช่ครับเนื้อเดียวกันนี่แหละแต่ด้านหนึ่งมันเสียมมาแลมมาดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวดีนะครับมีสติ มีสมบุรณดีมีสมัมพันธะดดีตอนนั้นเราก็เฝ้าดูตัวเองครับไอ้ไอ้เครื่องมือที่จริงเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเข้าใจไหมครับผมบอกแล้วว่ากรรมวิธีทุกชนิดเป็นสิ่งชั่วคราวเราเราเตือนนัเพื่อไม่ให้เผลอตัวเท่านั้นแต่ว่าจะไปสนใจมันเข้ามันไม่สําคัญอะไรครับสําหรับบางคนที่สต ด, ดีแล้วไม่ต้องทําก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ก็นั่งดูตัวเองจิตคิดไปก็รู้อยู่ในนี้นะ กพ็พริปตาอยู่หายใจเข้าหายออกอยู่หรือไอความรู้สึกตัวที่ทปรากฏอยูค่คือการงานของรูปรนามที่กาลังทําร่วมกันอยู่กายก็เคลื่อนไหวไปมาครับถึงต่อยเรานั่งนิ่งก็เคลื่อนไหวเสนต้องหายใจเข้าหายใจออกท้องก็พองอยู่ก็ดูเล่นๆไปอย่างนั้นนะครับส่วนจิตก็มีการงานของมันคือคิดนึก มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วครับดังนั้นเราเฝ้าดูเข้าไปเฝ้าดูเข้าไปเมื่อเฝ้าดูอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผมเน้นคําว่าต่อเนื่องเพราะว่าทําไม่ต่อเนื่องไม่เป็นสมาธิครับแล้วเราดูเห็นปั๊บเดี๋ยวก็เลิกอันี้เป็นสติผมได้ยินพูดกันมากครับเดี๋ยวนี้เรื่องสติท้งทีวีไม่เพียงแต่พระสงฆ์นะครับ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 ตัวที่ละจริงๆคืออริมัคคยานครับคือที่จริงคือปัญญาเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติเรื่อยๆนะครับเหมือนเราสะสมน้ําที่ระยวดเมื่อสะสมคำว่าสะสมน้ําเราต้องรู้มันมีช่วงซึ่งน้ําแห้งด้วยครับถ้าเราหยดประโยชน์หนึ่งในในโถหรือในแก้วแล้วทิ้งไปครึ่งชนะั่วโมงเนี่ยไม่มีสักหยดหจริงๆนะฮมันระเหยหมดนั่นคือหยดหนึ่งหยด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 หรือเห็นเห็นความคิดคิดนึกไปนี่ก็เห็นหนึ่งล้เห็นสภาพซึ่งไม่ได้คิดสภาพทุน่ทนๆนะฮอย่างนี้ครับเรียกว่าเมื่อมีพลังของสมาธิพอเพียงปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาพอเพียงก็ชื่อว่าบรรลุถึงสมาธิฏฐิผมได้กล่าวไว้ครั้งนั้วนะครับว่าสมาธิฏิเกิดไม่ได้โดยการนั่งฟังมาเฉยๆ เ, เรียนจากตำรา องค์ประกอบของสมาธิฏฐินั้นคือหนึ่งได้ยินผู้อื่นอธิบายขึ้นภาษาพระเขาเรปรตโขโโศักด์คือผู้อื่นโฆษณาขึ้นองค์ที่สองที่สําคัญมากก็คือโยนิโสมนสิการที่จริงโยนิโสมนสิการคือสติคือได้ยินแต่ว่าตัวเองมีสติด้วยถ้าสติอ่อนแม้สิ่งนั้นจะพูดเล่นสมาธิฏินี้คนนั้นไม่ไม่ไม่เข้าถึงสมาธิฏฐิ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 อันนั้นเราจเจริญสติให้มากมีสติมากแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ <c oughs> จะเด่นชัดขึ้นเข้าใจได้นะอาละ่ะวันนี้ลองาวนาน <c oughs> <c oughs> นี่ทดลองนะทดลองนั่งกำหนดลมลมปราณนะครับจะจำไว้ว่าทุกครั้งที่เข้าต้องรู้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 เข้าก็รู้จะพูดเหมือนที่ผมพูดผมมีหน้าที่ต้องพูดตอนนี้เข้าใจไหมครับแต่ตอนหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ทําเล่นๆครับถ้าเอาจริงมันยจะลําบากบามากๆเลยเอาศัายกระบวนการตามธรรมชาติครับค่อยๆสังเกตทําดีๆกับตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหัวมึนหัวขึ้นมาเข้าใจัหมครับ อาการปวดหัวมึนหัวตะครั้นตะครอจากการปฏิบัติเป็นวิบากกรรมครับคือเป็นนิสัยซึ่งเราชอบทำอะไรแบบอลุ่ยชุยแฉกับตัวเองครับชอบมากง่ายชอบทำนั้นตามใจอารมณ์แล้วมันส่งผลเมื่อเมื่อเราจะมาทำอะไรง่ายๆตามธรรมชาติทำไม่ได้เข้าใจไหมครับเหมือนคนที่ดับชริตมากๆจะให้มีชริตตามธรรมชาติกลายสิ่งที่ยากเข้าใจหมแต่ะมันเป็นวิบากครับ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 ก็เห็นๆมันอยู่เรียกว่าเราทำดีๆกับมันที่นี่ก็เหมือนกันครับทำดีๆคึ้นตัวเองให้มากๆเอาละนองดตั้งใจให้ตรงหลับตานั้นไม่ดีครับให้หลีตาลองขึ้นหนึ่งถ้าดูปลายจมูกนั้นไม่ดีตึงเครียดมากๆเพลงนี้มันไม่สบาย ลีตาดูพื้นก็ได้แต่อย่าไปดูอะไรครับสมมติมันเผลอไปหลับตามันเองนะมันหลับเองช่างมันมันหลับตานะไม่ใช่หลับจริงๆริงนะหลับตาทีนี้สมมติว่ามันเกิดอาการซึมๆง่วงๆแล้วลืมตาขึ้นแสงสว่างจะช่วยได้จากการลืมตาเนี่ยครับเมื่อมันมันมันหลี่ลงเองนั้นใช้ได้เดีย ก็จะรวบรวมร่างกายในท่าที่เหมาะสมนะแล้วก็ตักเข้าไหครับคือต้องรวบรวมกำลังกายครับทิ่มดินเข้าไปตักโยนไปถ้าก็รวบรวมไม่สําเร็จเช่นเขาเป็นไข้ก็รวบรวมไม่ได้เข้าใจไหมครับทีนี้เวลาทําสมาธินี่เหมือนกันคือเรารูปรวบรวมความรู้สึกทั้งตัวครับรวบรวมความรู้สึกทางจิตใจทั้งกายทั้งใจนี่มาประมวลเข้ามา เข้าใจมครับรวบรวมความรู้สึกเก็บมาให้ได้เข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าของมันกระจายอยู่หลายสิ่งเนี่ยเราก็รวบรวมเข้ามาในหอ่อชายพกห่อแล้วก็รวบกระแสจไหครับแล้วก็หิ้วไปตลาดาหมายความว่พอรวบรวมได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้อพลังความรู้สึกตัวเนี้ดูกระแสความคิดความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราจ้องดูความคิดมันจะไม่คิดจริงไหม ลองเดี๋วนี้ก็ได้ลองดูอ้าวทุกคนดูความคิดมันก็หายหัวไปเลยเข้าใจไหมครับแต่าถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวมันรู้สึกมีอะไรคิดผ่านๆใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นเรื่องนี้แลวซ้ำเหมือนกับแผ่นเสียงตกรองบางทีเรื่องเดียวคิดไม่รู้กี่สิบวันพอหันไปดูมันหายแล้เพราะอะไรรู้ไหมครับ ที่พลังหันไปดูแล้วความคิดหายไปเพราะว่ามันกลายมาเป็นผู้ดูผู้ดูนี่เป็นความคิดหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้มันย้อนมาอยู่ที่ท้ายถอยของเราแหละมันกลายเป็นตัวผู้ดูก็เรากำลังคิดว่าเราจะดูความคิดยังไงครับเห็นไหมครับนั้นเรากำลังคิดว่าเอออันไหนนอความคิดมันเล่นเข้ามาที่นี่เสร็จแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นมันจึงจึงลําบากมากครับ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 แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดของผมด้วยคือเรื่องเกี่ยวกับทุกคนนี่แหละมันจะอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนะครับเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่นานเพียงใด้ธรรมชาติก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะอืมมีคนหนึ่งผมแนะให้ปฏิบัติแกก็ทำเล่นไปทำเรื่อยๆนะฮะก็ไม่เข้าใจที่หลายเดือนมากไอ้บทที่แกจะจับได้ขึ้นมานั่นก็แปลกดีคือจะเปิด ลูกบิดห้องน้ําครับพอเอื้อมมือมเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาทันตรงนี้ครับคือความรู้สึกตัวมันวูบลงไปนี้ก็จับได้วโอ้ความรู้สึกตัวขึออ้นนี้นี่ <c oughs> ลาดับต้นเท่านั้นนะครับไม่ไม่ที่จริงรู้เท่านี้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะแต่ว่าเข้าใจดีแล้วลืมไม่ได้แล้วคือมันวูบเข้าไปที่ใจนะครัใจกับกายมันสัมพันธ์กันหมดนะครับดังนั้นเราปฏิบัติมากๆเวลาได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์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 บางคนฉลาดมากอาจจะรู้ช้าก็ได้ครับเพราะฉลาดคิดบางคนไม่ค่อยคิดอะไรอาจจะรู้เร็วก็ได้อย่างกรณีพระโมกขลานะนี่ท่านรู้เร็วมากแต่ภาษารบุตรนั้นนานเพราะว่าท่านฉลาดมากมีปัญญามากก็คิดเก่งคิดเก่งกันรู้ช้าจริงไหมครับเรื่องรู้ธรรมานี่ไม่เกี่ยวเรื่องฉลาดหรือเรื่องโมกครับมันเกี่ยวกับว่ามันทำถูกเรื่องขึ้น พระเจ้าอุปมางี้นะครับว่าปฏิบัติธรรมนี้เราต้องการหลุดพ้นก็ได้ไม่ต้องการก็ได้ครับแต่ถ้าทาถูกมันจ ะ, ม, นจะมันจะไปตามเรื่องเองท่านอุปมาเหมือนคนอยากจะกินนมวัวคนหนึ่งอยากกินนมวัวแล้วก็อยากกินนมวัวมากแต่ไปรีดเอาที่เขาของมันเพราะไม่รู้จักว่านมนี่อยู่ที่เต้าเียรีดทั้งวันก็ไม่ได้กินใช่ไครับ แต่คนหนึ่งไ ม, ไม่ได้ตั้งใจจะกินนมวัวแต่มันตรงไปที่เต้านมวัวแล้วก็รีดออกมาในสุดก็ได้กินจนได้นั่นเพราะเราทำถูกเรื่องขึ้นมานี่ยครับผลจะปรากฏตามลำดับแม้ว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมะมากนะครับเป็นคนวัดคนวาหรือแม้แต่บวชนานแต่ว่าทำไม่ถูกครับอยากจะบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ทําทำไม่ถูกอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็นานดังนั้นคนบางคนนะครับ ดูดูแล้วถ้าคนทั่วไปตัดสินค่าไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> คนนี้มันเก็กมาเลยเกเรมากๆเลยอยู่สองวันก็เข้าใจอะไรดีกว่าเรา <c oughs> เราก็ไม่ไม่พอใจค่าธรรมชาติเนี่ไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> ที่จริงธรรมชาตยิยุติธรรมมากๆครับแต่เราไม่เข้าใจนะครับว่าธรรมะนี่มนไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จริงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีเรื่องชั่วเลยซ้ำนะฮะเหมือนที่เรามายกมือ น, นมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรใครเข้าใจไหมครับ ทีคนดีมากๆเนี่ยรู้ธรรมะชา้าคือติดดีครับติดดีเข้าใจไหมครั บ, ต, ดดรบตัวเองไม่สูบบุรี่ไม่กินเนะื้อเพรเห็นเพื่อนกับโมโหมันก็เลยติดโมโหจนท่านน่ะเรียกว่าติดดีครับยึดถือมากเกินไปเป็นปัญหาขึ้นใหม่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องติดเรวนะติดเล็วไม่ต้องพูดแล้วคือมันมันไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ติดดีนี่ก็น้อยสัเมื่อไรครับผมเห็นเยอะคนติดดี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 กติกาไม่มีครับรูปแบบไม่มีเวลากําหนดหมายปฏิบัติไม่มีเนะี่ยเข้าใจไหมทําอย่างนี้ไปเร็วครับแล้วต่อให้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยตัวโตวกว่าแต่ถ้าเราดับตะเกียงมันได้แล้วก็นชนะแน่จริงไหมตะเกียงหมายถึงลูกตาซัดลูกตามาก่อนเลยหรือตัวโ ต, ว ต, วตวเนี่ยเราซัดลูกตามันแล้วมันสู้เราไม่ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหม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 ดังนั้นมันจะสะสมความเมื่อยขบนั่งนานๆเดี๋ยวก็เมื่อยขบขึ้นมาเราต้องรู้จักวิธีที่ปรับปรุงคนโบราณเขาฉลาดามากๆเรื่องนี้ครับเด็์คิดค้นวิธีที่ลองเอามือสารที่ท้ายถอยนะครับลอาทำช้าๆทาแล้วทำดีๆกับตัวเองจะรู้สึกสบายมากๆ Uh huh. ยิ้มนิดๆกับตัวเองนะมันยิ้มคนอื่นนะนะ uh huh. จะรู้สึกสบายสบายเหมือนกับเรานึกถึงตอนที่เราหิวข้าวนะทเที่ยงอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จพอเอนหลังมือสารท้ายๆก็โอ้ยสวรรค์ uh huh. ทำดีๆกับตัวเองเนี่ยคำนี้จำช่วยจำเเวลาเกิดเรื่องทุกข์น้อยใจใครเนี่ยทำดีๆกับตัวเองไว้ คือทำใจดีๆนะเอหลังนะครับเหมือนกันนอนบนเปลโยนเนี่ยนะบายเห็นไหมฮยืดขาไปยืดขาไปง่ายๆครับยืดอย่าพยายามยืดให้ตรงจะได้ดูโกงมันไม่สบายนะถ้าขาเราโกงก็โกงนั่นแหละ ยืดสบายๆยอย่างนี้แล้วค่อยๆโน้มตัวทำดีๆกับตัวเองเนี่ยอย่าอย่าหักโหงนะยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆความความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นดีนะครับยืดไปเรื่อยๆแล้วก็พักลงในท่า น, นี้ ก็รู้สึกสบายดีเข้าใจไ้มครับขาอัานี้งอขึ้นมาขานี้เดี่ยวไปแล้วเอานิ้วชีกับโมือโป้งนี่ครับคล้องบ่งเข้าตรงนี้คล้องบ่งแล้วก็เอามือนี้ถายออกไปทางนี้ โค้งตัวไปนะครับพร้อมกับโค้งมือไปสบายเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆเลยครับเรื่องง่ายมากๆเลยที่จริงที่ทำให้ตัวเองสบาย จำท่า น, นี้ให้ดีนะครับผมคตดว่สบายผมามากเลยสารได้ทอยแล้วก็หายใจเข้าด้วยครับหายใจเข้าชา้าๆลึกๆ